ตอนเน่าเฮ็ดบาปมันก็ยังหอนตอนได้เข้าในเฮ็ดบุญมันก็เย็นตอนได้เข้าด้สางบุญ่อยสางท่างห่วใจไว้เย็นยุําบาปกับ <mentation> ยุก็ไไรถ้าบุญแล้วไปยุใจ่ถ้าบาปแล้วก็ไปยุใจทถ้าบุญก็คือท้าบุญบวกคือใจ่สรองใจ่ต่ออายุของบุญกับต่ออายุที่ใจ่ต่ออายุของบาปกับต่ออายุที่ไจ ถ้ามี i, ทับชั่วมันก็ไปสลองใจเมื่ม่ได้สลองเปล่ยนฝาอากาศนี่ยังอันนี้มันแม่นางกาพระองค์ว่านว่าคนทานวัดศีลวัดพระวนาวัดแต่แม่นใจเป็นผู้เฮ็ดโลกโกดหลงกับแม้นใจเป็นผู้สางขื่นคันเทียนโทษกับแม้นใจเป็นผู้เห็นคันโ่เมนเห็นโทษกับใจเป็นผู้ติบเห็นกุศลพลบุญท่านเศีลพราวนาข้าแม้นใจเป็นผู้สางขื่น เขาไม่เห็นคุณกับมันใจเปเป็นผู้เห็นเห็นมันว่าเห็นกับมันใจเป็นทีเป็นผู้ว่เห็นอันอื่นก็เพรามันญาติเห็นนําอันนี้เป็นของขักว่าสแนี่อ่อนข้ามันว่าพ้นจากความทุกข์ก็เพราะมันเป็นนิสัยไฝ่ายโมหะข้ามสอนพระพุทธเจ้าสอนแม่ครูมัดแน่วอบายยมุกเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพระมิวิบัติเป็นนิพพานในวัฏเหมือนกัน ขันเณรจากอบายยมุกกับเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไม่ทั้งสองสินเท่านั้นมนุษย์เวบัติกับไม่ระยะสั้นมนุษย์สมบัติกับไม่ระยะสั้นสวรรค์สมบัติกับไม่ระยะสั้นพุ่มสมบัติกับไม่ระยะสั้นนิพพานสมบัติกับไม่ระยะสั้นนิพพานพระโสดพระโสดาบันละเชื่อได้เป็นเอกเทศพระสกทาข้างนีละเชื่อได้เป็นเอกเทศ อำนาข้ามี่ก็ละกิเลสใเป็น เ, เทศพระหัตถ์ละกิเลสในเมือ น, นั่นเป็นมนพ่านอันเดียวนิพพานไปร่วมวนี่ยพุนที่นี่ทุกข์กับไปร่วมวเนี่ยใส่หัยไปุกที่มหาไปร่วมนี่ยมหาขี้เกียนหรอกเราไปร่วมอยู่ร่วงกันตาหนารอกทีนี่พวงมาี่หลังพระกันมาจากักไสเนี่ยฮะจับมันขดองค์หลวง ป, ปู่มหาองค์หลวง ป, ปู่มหาสบายไหม <c oughs> คนตังน้งมืนคนตั้งมืนหรือ อ, อืมอืมมากกว่าสกปีเพราะเขาไม่มีที่ไปเขาก็ไปเขาไม่มีที่ไปนะยกทองขาวต่อยกทงขาวต่อสู้ไม่ไหว <c oughs> ออทำไมเจ้าไม่บอกว่าถ้าคนไม่หาผาหาผเวีสั้นดอนจะไปหาจะไปหาใครทำไมจึงไม่พูด ว่าพระเหตุสันดอนคนก็ต้องไปมากพระเหตนสันดอนก็พระบรมศาสดาก็อันเดียวกันคนในภาคออสาญเข้าไปนะพระทั้งหลายไปเป็นถบาตกับหลวงปู่มหาไหม้หรือไปคนหน้าทางนะบุญเพ่งมาช่วยทำเป็นสะบาท ส, สององค์ด้วยกันที่นี่พวกคนอื่นพวกพวกคนอื่นไปทางอื่น นะไปเวาาีนธบัตรสายเดียวได้กันที่นี้เพื่ลูกวัดไปที่ไหนหรือไปคนละแห่งมาสักสายเดียวกันหมดตามตามหลังกันเลยเออเข้าใจตามหลังกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพระพุทธศาสนาหมดใครจะจะทําอะไรก็ผ่านพระพุทธศาสนาหมดมเขาจะเอา<ม>เขาจะนึกอะไรในทางกุศลพ้นบุญ<ม>ก็ต้องผ่านว่าผ่านพระพุทธธรรมพระง์หมด เพราะผ่านทางกิตทางกายของเขาเช้นจะเอาเข้าไม่หักพักเส้นหนึ่งมาให้ทานก็ผ่านพระพุะทธธรรมประสงค์หมดเพราะขณะเจล็ใจของเขาเึกถึงพระพุะทธธรรมประสงค์เสียก่อนเขาจึงผ่านออกได้ใ น, ในโลกล้วนอนิจจังได้ใ น, ในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งนาคทั้งปัจจุบันด้วยอาเมนจะมีมากาก็เพียงไหน ก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองวัดโทษสิ่งของจะไม่มากแตกเพียงใดก็ปรุงขึ้นจากธาตุดินน้ําไฟลมเมื่อแตกลงก็แตกไปสู่ดินน้ําไฟลมอันเดิมส่วนจิตใจก็มาจากบาปจากบุญถ้าบุญก็มาบอกบุญอยู่ที่ใจถ้าบาปก็มาบอกบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่อื่นสังขารโลกโลกคือสังขาร สัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่วันนี้เทวโลกได้แก่ชะกาลาวิเชลหกขั้นพรหมโลกได้แก่รูปปัพรหมเจ็กขั้นก็จิตใจของแต่ละท่านลคนนั่นเองก่อขึ้นใครมีอิสระก็แต่ละท่านลคนนั่นเองมมีอิสระอิสระทางทำดีทางทำชั่ว เมื่อทำดีลงไปแล้วผลของความดีก็ไหลมาหาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาทำชั่วแล้วผลของชั่วกว็ไหลมาหาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียนเป็นส่วนที่ทําดีทําชั่วมันจบกเกษียนไม่เป็นตามไปจนชาติเข้าสู่พระา槃แต่เมื่อค้นจากกิเลสแล้วมันตามไปมันก็ไปพบแต่เรือง่าง แต่เมื่อพ้นจากจเจดผลของกรรมตามไปมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเลยไม่ว่าทางดีและทางชั่วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อว่าพุทธศาสนาเหมือนกันจะรับเทใดใดก็ตามเถิดกรรมและผลของกรรมเป็นสารไต่สวนเป็นสารตัดสินเป็นสังขารนาอยู่ในตัวแล้วเราไปเหยียบไฟไฟก็สังขารนาให้ เราไปเหยียบน้ําน้ําก็สังขายานาให้ถ้าเราเว้นก็สังขายานาทางเว้นก็ไม่เป็นอันตรายผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนอกเหนือก็ทำเอาวม่ได้ทาไมเขารวยมากมีคนถามอยู่เออเราไม่ได้มองเขาว่าเขาจะรวยไปขนาดไหน่เราไปมองเขาสัก เ, เราไปเห็นแล้วก็ให้คะแนนเลยเพียงเลยทีนี้เอา้า พวกที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเขาอยู่ได้ไห่างไม่เขาก็อยู่ไม่ได้แต่ ก, ก็เจิงเลยผลของกรรมถ้าว่าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเหมือนกัน <im it> พวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ ก, ก็เจิงกันเลยทำไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสานาน้อยนะ ทำไมจึงมีมแมลงผู้มแมลงพึ่งน้อยนักมแมลงวันมแมลงวีทำไมมากแท้ยุงก็กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาตำต้อยผู้ที่สร้างวรรมีไม่ย่างทำแก่ก้าจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็เป็นไปไม่ได้ผู้ตาบอจะมาสนเข็มก็เป็นไปไม่ได้คนขาหัก จะวิ่งเร็วก็เป็นไปไม่ได้คนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์จะให้มาเริ่มใสมนุษย์มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแฉกก็มีอยู่ทุกยามยากลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิ่นเหม็นเราดีๆนี่เอง พระฝังไม่ทันพระเผาเผาไม่ทันพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงจงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาศออกจากหัวใจเราแล้วชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมุ้ยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครลุกล่าวชาวพุทธ อันบอที่สุดดูที่รวงใจผลของตรรมจะตามถึงที่สุดในทางลบอยู่ทั่วการนานเพราะพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใไ่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับและผลของตรรมก็จะในทางลบ ก็จะตามทันอยู่ทั่วการนานลในไตรโลกธาตุจะตั้งกองทับขึ้นเป็นกองทับน้าลายบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงฟ้ามันก็ตกใส่หน้าของใครของมันนั่นเองพระพุทธศาสนากาะโดยในมัดไตรโลกธาตุจะมาลบมาล่าพระพุทธศาสนาก็ลบล่าไม่ได้พระพุทธศาส น, น, น, น, น, นาไม่ได้อยู่ที่ฟ้ามันก็ อ, อยู่ที่หัวใจของมนุษย์ ถ้ามานุษย์ถือถ้ามานุษย์ไม่ถือมันก็ทําลายอย่างที่หัวใจตนเองสัตว์ก็เหมือนกันเท่ากับบ้วนนําลายรถเครื่องฟ้ามันก็ตกลงมาหาตัวแล้วโกรธให้ต้นเสาเราไปคว่างปลาใส่มันคว้างไกลมันไม่ถึงคว้างใกล้ก็นักน่วยเอกก็รบไม่ทันภูเขาและเห็นดานก็เหมือนกันคว่างปลาค้อนใส่มันก็กระเด็นใส่ตนเองผู้คว้างนั่นเอง ก ม, มุนาวัตติโลกโสัตโลกเป็นไปตามกรรมแผ่นดินยังมีสูงต่ำลุ่มดอนอยู่ตราบใดบัวใต้น้ําเสมอน้ําดอกตูมหรือบานดอกพัวที่เรามีอยู่ในโลกตราบใดผู้ทําดีก็มีอยู่ตราบนั้นผู้ทําชั่วก็มีอยู่ตราบนั้นผู้ชั่วก็สืบทั่วไปในโลก คนดีก็สูบสืบดีไปในโลกตกลงก็เป็นเมืองขึ้นของคนดีในไตโรโกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดแต่ยังไม่มีชิวผู้ที่มีชิวแล้วก็คือพระสวดาบันต่ำกว่านั้นลงมาก็ยังไม่มีชิวถ้าดอวันมีชิวแล้วจะเดินรุดหน้า บ้านหน้าตะพืชไม่กลับมาแลมอกีกเหมือนนางพระจันในวันเพลนแต่พระจันในวันเพลนกลับมาแลมอกีกอันนั้นไม่กลับมาแลมอกีกดอกบัวสี่เหล่านั่ข้างพุทธการดอกบานก็าบานเติมภูมิดอกตูมก็ตูมเติมภูมิดอกเสมอหน้ า, นาก็เสมอหน้ า, นาเติมภูมิดอกใต้หน้าก็ใต้น้าเติมภูมิมีอยู่ทุกการทุกเวลาของโลกจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าความชั่วเป็นนายหน้า ของความดีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วความดีก็สืบโลกไปไม่ได้ทุกพระเจ้าจะมากกว่าร้อยโกดก็ตามก็เป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันไม่รบล้างพอรอบอกันเลยที่ล่วงไปแล้วก็มากกว่าร้อยโกดที่จะมาในข้างหน้าก็มากกว่าร้อยโกดเหมือนกันเป็นคำสอนอันเดียวกันสอนว่านุสสมบัติเต็มภูมิแล้ว สอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแลว้สวสอนพรมสมบัติเต็มภูมิแลว้สวสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแลว้สวสอนมนุษย์เต็มภูมิคือสนอนยังไงอบาอยามุฒทุกประเภทถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์วิบัติถ้าเว้นก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสวรรค์สมบัติก็เปิดประตูไปเองพรมและนิพพานก็เหมือนกันผู้ดใดไม่เสียดายร่วงละเมิดสินห้า ไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายะมุขไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์กระดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกะพันไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหายค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นรเรื่อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ พระสวสดาบัลไม่ใช่ยด้อยากล่องละเมิดเลยไม่ใช่ยดยอยากล่องละเมิดทั้งเสียงท่าด้วยจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามตลอดวันตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามยืนขาเดียวอ้าปากจิงลมเหมือนชมพูกะก็ตามอดอาหารขุมผมขนขุ้มผม ข, ม ข, ม ข, มผมขุมหล่นขุมขนหล่นก็ตามจนโูดพร้อมก็ตาม ถ้าเชื้อไดอยากร่วงละเมิดเสียนา่าถ้าเชื้อได้อยากจะถือศาสตรดาอื่นถ้าเชื้อไดอยากจะถืองงอยู่ลงกองกระพันเลิกดียามดีหรือจองเวรท่านผู้อื่นอยู่ก็โสดาบันไม่ได้จองเวรท่านผูดด้ใดเลยถือเขาเคยทํำผิดมากับเราใจชาติก่อนก็ให้เรากันไปซะเขาว่าก่อใหม่ก็ให้เรากันไปซ ะ, าาปซะแต่เราโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรส่วนกรรมอารมณ์ของพระโสด า, าบันมีขอบเขต ที่อยู่ในคารวาสไม่สามารถล่วงละเมิดสามีและภรรยาของตนได้นั่นแหละคือพระสวดาวันถ้าถึงพระสดาวันแล้วสักทาคาเีอนาคาเมอัรหันก็เปิดประตูไปเองไม่แวะซ้ายแลขวาไม่ถอยหลังเลยจะถึงเร็วหรือช้าก็ไม่สงสัยจะแวะซ้ายและขวาไม่สงสัยจะถอยหลังเลยเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว เห็นฝั่งพระนิพพานแล้วคือฝั่งที่ไม่โลคฝั่งที่ไม่โกรธฝั่งที่ไม่หลงฝั่งที่ไม่มีเวญมีภัยเรียกว่าฝั่งพระนิพพานเห็นด้วยดวงตาเห็นทำแล้วพระก็ตามใครก็ตามจะบวชล้านพัรษาก็ตามจะเดินจงกรมภาวนาหมดวันหมดคืนก็ตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดชินห้า ถ้ายังเสียดายอยากส่งเสริมอบายกับมุฏอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันยังเป็นโลคีอยู่ไม่ใช่โลกุตระทําไมเราจึงปาฏินาโลกุตระจรึงต้องโลกต้องการโลกุตระเพราะอะไรเป็นเหตุให้เราต้องการโลกุตระเพราะเราเห็นในไตโลกทาตจะเปด้วยกองทุก หลมฐานเพลิงคืออะไรคือโรคโกรธหลงคือหลงฐานเพลิงหลมใหญ่ของมันหลงใหญ่ของมันก็คือหลงหลมโรกหลงโกรธเป็นวางขึ้นของหลมหลงอะไรจะมาชละสะสางเราสิ่งไหนที่ไม่โรค ก, ก็จะมาชะนะโรคสิ่งไหนที่ไม่โกรธก็จะมาชะนะโกรธสิ่งไหนที่ไม่หลงก็จะมาชะนะหลง ชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความเกลียดคร้านด้วยความขยันชนะความเข้าใจผิดด้วยความเข้าใจถูกชนะมืดด้วยความสว่างชนะความโง่ด้วยความฉลาดอุปสัคเป็ญยาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกกลายเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาด้วยทำไมจึงไม่นอนใจในวัตฏสงสาย พระยังไม่มียานว่าพ่นทุกข์ในวัฏจะสงสารก็นอนใจในวัฏจะสงสารสิถ้าไมียานผู้ไม่มียานว่าพ่นทุกข์ในวัฏจะสงสารแล้วจะนอนใจในวัฏจะสงสารมันก็ไม่ถูกผู้นอนใจในวัฏจะรสงสารก็คือผู้นอนใจในหลวงทานเพิงนั่นเองทาไมจึงนอนใจเพราะความหลงม่อำนาจ พระยังไม่ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็ไม่นอนใจเลยเพราะเห็นริบดีริบดีในฝั่งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วพระพิสุสงฆ์บวดมาแล้วไม่ว่าสมณะชีพามถ้ายังเสียดายร่องละเมิดละบายสมุกอยู่สู้เขารักษาสี้นห้าอยู่บ้านไม่ได้บวชมาเพื่อ ใจสี่ปัญหาก็มากบวชมาเพื่อทำลายความหลงของตนปัญหาไม่มาบวชมาเพื่อกีวนวินทบาทเนาสนาสนะและเพรศเรียกว่ายังไม่ถึงสุปฏิปันโนเพราะยังไม่รวงไม่เห็นดวงตาเห็นธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อเกียรเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรก็ยังเป็นโลกีอยู่โลกีเกตนา พุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะเป็นจำพวกที่หนึ่งพระเจ ก, กพุทธะเป็นจำพวกที่สองสาวกสาวิกาพุทธะอรหาหันเป็นจำพวกที่สามพระอนาคามีเป็นจำพวกที่สี่พระสกทาคามีเป็นพุทธะจำพวกที่ห้าพระโสดาบันเป็นจำพวกที่หกพุทธะหกจำพวกก็ว่าแต่ พวกสาวกเป็นเป็นสาวกโกพุทโธพวกสาวิกาก็เป็นสาวิกาพุทธาไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธมีจำพวกเดียวกัจเจกพุทธเก็จําพวกเดียวส่วนสาวกสาวิกาพุทโธจัดได้แบบหนึ่งเองโลกเวทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสัมมาสัมพุทโธโลกะเวทูเป็นทั้นที่หนึ่งกัจเจกเป็นทั้นที่สองอรหันต์ตาชีณาศพทั้นที่สามานาคามีอ่า อนาคามีชั้นที่สี่สักกทาคามีชั้นที่ห้าะัจดาบันชั้นที่หกนี่โลกเวทูในส่วนสาวกโลกเวทูผู้รู้เร lower, ืู่แจ้งโลกในส่วนสาวกโลกววทูผู้รู้แจ้งโลกในส่วนสมาสธมพุทธะก็มีสมมาัิพุทธเจ้าเรียกว่าพระเจดอันนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งที่สองลงเรียงลงมาปัจจุบันของปัจดาบันปัจจุบันของสักกทาคามี ปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอาหารปัจจุบันของพระอาหารเป็นปัจจุบันที่จบแล้วปัจจุบันของพระสวัสดิบาลเป็นปัจจุบันอยู่ที่ต้นทางของโลกุตระปัจจุบันของพระอนาคามีเป็นปัจจุบันนธรรมที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะขาดไปแล้วแต่มีโมหะอยู่นิดเดียวเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นผู้เลื่กว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลื่กว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขานี่เป็นสามเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลื่กว่าเขาเป็นผู้เสมว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขานี่เป็นหกเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลื่กว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นเก้าเรียกว่ามานะเก้าหก ทัดจักความคิดพราดเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินกว่าเหตุแต่พระอารหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นขําไปแล้วอวิชชาอันเป็นเหตุไม่รู้จริงพระอรหันต์ก็รู้จริงแล้วความหลงไม่มีในสันทะสันดานพระอรหันต์เลยไม่มีปัญหาว่าพระอรหันตรักษาจิตไม่พระอรหันต์ไม่ได้รักษาจิตท่านหรอก เพราะเหตุใดพราะจิตที่ไม่มีจิตไม่กลัวแพ้กลัวชนะเสียแล้วจะรักษาอาตายทําไมเพราะที่ยังไม่พน้นถ้าไม่รักษามันก็พิษยิ่งจื้งไม่น้อยก็ต้องมากถ้าพระทหารท่านผู้พ้นไปแล้วท่านรักษาจิตท่านอยู่มันก็ท่านก็เป็นทุกข์ตายเพราะเปรียบเหมือนคนคุมนักโทษเกรงว่านักโทษจะหนีด้วยเกรงว่านักโทษจะทําลายตนเองด้วย เหตุนั้นท่านผ่อพ้นไปแล้วท่านจึงไม่ได้รักษาจิตของท่านนกบินในอากาศไม่มีรอยเลยใครก็ถ่ายโทรทัศน์เอาก็ไม่ได้ฉันใดก็ดีจิตขององค์ท่านจะนึกวันยังค่ําก็ไม่ติดอยู่เข้าไปในอุ ป, ปาทานเป็นสังขารรวนรุนเหตุนั้นพระบรมาศาสนาสึงยืยนยันว่าเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคต เรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเพราะเราไม่มีเรามีเขาในเงื่อนทั้งสามอยู่ทุกกรมปานแล้วเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีในที่ใดๆเลยเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้นิพานตามเป็นจริงของพระนิพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง พระรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้จบเพียงนั้นแล้วไม่ต่อไปในทางที่จะโลภโกรธหลงท่านโูดอย่างนั้นศีลก็มีตัวเดียวสมาธิก็มีตัวเดียวปัญญาก็มีตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบัน ศินสมาธิปัญญาของสกทาคามีศินสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศินสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ชินสมาธิปัญญาของพระปจเจกศินสมาธิปัญญาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรวมกันในปัจจุบันทันตาจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีสูงต่ำลุ่มดอนกว่ากันมีญาณสัมพยุตต่างกันมีน้ำหนักกว่ากันน้ำหนักของช้างในปัจจุบัน จะเอามาเทียบกับมดแดงไม่ได้มดแดงในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังจงเห็นธรรมในปัจจุบันเถิดอย่างนี้มันก็อยู่ในชั้นระดับของไข่ของมันปัจจุบันนักมวยเขาก็มีเหมือนกันมัดที่เขาชกมาแล้วเขาก็ปล่อยไปแล้วมัดที่ยังไม่มาชกเขาก็ยังไม่ระวังเขาระวังมัดปัจจุบันส่วนพระอรหันท่านไม่ได้ระวังที่ไหนเสียแล้วเพราะท่านพ้นไปแล้ว พ้นจากขัอจุบัอดีตอนาคตไปเสียแล้วไม่เตรงว่าบาปจะมาหาตนไม่เตร็งว่าตนบกพร่องในบุญอีกด้วยเพราะบาปก็เว้นพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วไม่สงสัยว่าจะบกพร่องอันใดเลยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน มนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกา玛พระสรหกชั้นพระมาโลกได้แก่รูปภพมิถกชั้นกับอรูปภพสี่ชั้นโรคทั้งหลายย่นลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอุ ป, ปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครอง อุปาธินะกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาธินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารทั้งสองนี่มีผลรับอยู่ว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโรคเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งรูปนามเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อโรคเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตา มีทุกข์ขาดตัวแล้วความสงสัยในโลกอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีเลยแต่กต่เจิงอวิชชาจัญหาอุปธทานกรรมนี่เป็นตัวศีลชั้นสูงเป็นตัวสมาธิชั้นสูงเป็นตัวปัญญาชั้นสูงเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพร้อมกับลมเข้าออกแล้วเมื่อนั้นแหละยอหนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิ สิทวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันในปัจจุบันเลยพระบระมศาสดาคนชั้นสูงก็ต้องให้สูงคนชั้นอาาขอชระอาขาอาจจะไปบอกให้คูณเลขสามตัวมันก็คูณไม่เป็นจะว่ายังไง <laughs> ที่นี่ ลึกมันก็ลึกออกไปจากใจยาวมันก็ยาวออกไปจากใจโวหารก็คือหารลงมาถึงใจโวหารกับโมหันกันเดียวกันหารก็หารลงมาถึงใจสัพพทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันสัพสังขารย้อนลงมาหาเอกะสังขารในปัจจุบันถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนได้ ใครเป็นผู้หลงโลกก็กิเลสเป็นผู้หลงโลกโลกมันจะมาหลงลกิเลสใครเป็นผู้หลงตาก็กิเลสเป็นผู้หลงตา ห, ลาหตาหูจมูกเล่นกายใจก็หมุนกนันตาหูจมูกเล่นกายเป็นโรคภายอะไรตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นโรคภายอะไรูปเสียงกลิ่นรสถอดทพะธรรมารมณ์เป็นโรคภายนอกเป็นสังขารภายนอกย่นสังขารออกมาเป็นสองซะรูปสังขารนามสังขารซะ ลกูปภโลกนามโลกซะสังขารใดจะเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตแล้วสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็จะดับในปัจจุบันเหมือนคําพูดแต่ละอย่างละอย่างที่พูดอยู่นี้ก็ร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปแต่ละคําละคาพูดใหม่ก็เป็นคําเก่าก็ล่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปอีกเหมือนกันสวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าพี่ตายนี้แต่ร่วงไปแล้ว ร่วงไปร่วงไปหาระหว่างไม่ได้นั่นเหมือนกันเป็นรอบๆห้าระหว่างไม่ได้เหมือนไฟก็เหมือนกันเราติดมันมันก็เป็นพืชเกิดดับเร็วจนติดกันเป็นพืชนะนแหละคือสังขารหยาบๆภายนอกสังขารภายในก็อันเดียวกันเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นและแปรปรวนและแปรรายชัดด้วยพระปัญญาแล้ว ความจะหลงสังขารจะมาจากประตูใดล่ะ mm hmm. ตาเอา๋ยตาเอา๋ยตาเอา๋ยท่านตจงเป็นตาเนออื mm hmm. พญาคิตราภไปใส่ให้หูเอ๋ยหูเอ๋ยท่านจงเป็นหูเนอครับก็ไมาว่าปฏิเสธก็หมาว่าวางเฉยก็ไมาว่าจมูกลิ้นกายก็เหมือนกัน mm hmm. ใจเป็นผู้ใส่ชื่ อ, อนามให้มินำซ้าเออท่านเป็น ท่านเป็นผู้ใส่ชื่อหรือนามให้ข้าว่าตาหจูจงหุ่งเล่นกายแล้วข้าจะตอบแทนท่านท่านจะข้าจะชื่อให้ท่านว่าใจใจเนอตาหจูจงหุ่งเล่นก า, กายก็ไม่ได้ว่าใจไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็บอกว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใช่ไหมไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็ไม่รู้เท่าทำตอนนั้นใช่ไหม <c oughs> ย่นลงมาแล้วเนี่ย พูดลงมากมันก็มากออกไปจากไก่พูดน้อยก็ลงมาหาไก่ย่นลงมาหาไก่มันก็เชือกเส้นเดียวขึงยาวเหยียบทั่วทั้งไตโรกท้างไม่มีเชือกเส้นอื่นเลยถ้าจะย่นก็ย่นลงมาหานักหน่วยเราจะนับถึงแสนถึงหมื่นถึงล้านก็ตามเราก็นับออกไปจากรักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ย่นมาหารักหน่วยใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน ก, กูด ขั้นในก็ดีจะพูดวันยังคำ่ำก็ย้อนลงมาให้หาเอกนิบาตคือใจะถ้าสําคัญไหวใจเป็นตนตนเป็นใจนั่นก็หลงใจอยู่ไม่พีกลางวันกลางคืนใจเป็นแตัตดิ์ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุพัสนาเท่านั้นมันก็ปล่อยวางไปในตัวถ้าสําคัญว่าใจเป็นตนต น, ตนเป็นใจใจมีในตนตนมีในใจมันก็ปล่อยวางใจไม่ได้ใครมาต้องก็ไม่ได้ กลางผ่านคอใส่เหมือนงูเห่าถูกไหมทําย่นลงมาแล้วนีขยายออกให้เห็นแล้วย่นลงมาอีกเชือกเส้นเดียดึงออกให้เห็นแล้วก็โค้งมาให้เห็นอีกด้วยศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวศีนห้าตัวถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจศีนแปดถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเป็นศีน แต่เป็นเชื่อกแปดเกลียวอยู่ที่ใจสินสองรอยยี่สิบเจ็ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นสองรอยยีสิบเ็ดเกลียวอยู่ในใจแปดมื่นสีพระธรรมมขันถ้าไม่ไม่ล่วงละเมิดถ้ารวมลงมาแปดมื่นสีพระธรรมมขันก็เป็นเชื่อกแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันเกลียวรวมยู่อยู่ที่ใจในปัจจุบันนี้เหตุนั้นจึงไม่ควรสงสัยถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บ่ายมันก็คําสายคืออะไรคือแก่แล้วบ่ายคืออะไรบ่ายคําคืออะไรคือตายพิ้ง พูดน้อยก็น้อยออกไปจากกใจพูดมากก็มากออกไปจากใจหานก็หานลงมาหานใจเหตุนั้นท่านจึงบอกว่าพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพันธนาเท่านั้นอยาไปให้คะแนนอันอื่นเน้อเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาศุขทุกอุเบกขา ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา <approaching> เป็นเพียงเวทนานุพั์ศสนาเท่านั้นใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้นก็สักว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุพั์ศสนาเท่านั้นทำที่เป็นกุศลหรืออ ก, รกรุศลเทีังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทํำนี้นก็สักว่าทําไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัสสนาเท่านั้นรวมสิงทั้งหลายเข้ามากับผู้รู้สักเดี๋นี้อดีตคืออะไร ผู้รู้ท่ท่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่มันยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ใครเป็นผู้ไปสงสัยหาอดีตอนาคตก็ผู้ปัจจุบันนี้เองไปสงสัยหาอดีตอนาคตไปสงสัยหาอดีตมันก็มีแต่บัญชีพระมันล่วงไปแล้วออมีแต่บัญชีตัวเงินก็ล่วงไปแล้วตัวสงสัยไปหาอนาคตทถนี่จะไปยึดมั่นถือมั่ น, นอนาคตว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ดีมันก็ยังไม่ทันดีชั่วมันก็ยังไม่ทันชั่วก็เป็นแต่สักกว่าานาคตซะที่ย้อนลงมาหาปัจจุบันก็มีทั้งเขาทั้งหนังด้วยมีทั้งเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วยเหตะนั้นท่านจึงยืนยันว่าปัจจุบันนันจโยธรรมังเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเดินเลยเดินเป็นมักลมกลืนกันไปบางท่านติดอยู่ในนิมิตภาวนาไฟ เห็นแก้วเห็นแสงสว่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เหอเหเดินอากาศก็เลยถืออ่อนนั้นมาเป็นความบริสุทธิ์แต่ก็บริสุทธิ์ในชั้นนั้นถ้าตายคาชั้นนั้นก็ไปเกิดพรหมโลกัม่งู้จะโกกสงสารเลยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตทั้งหลายตั้งดูใต้อานาจอันิจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนได้แตกกรายปฐมฌานเข้าไปพักนิดหนึ่งก็ถอนออกมาทุติฌานก็เหมือนกัน ละเอียดกว่า น, นั้นพัตติยานก็ละเอียดไปกว่า น, นั้นเจตุทะฌานก็ละเอียดไปกว่า น, นั้นรู ป, ป ร, รู ป, ปรกรรมฐานกรรมฐานในพุทธศาสนานี่มีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นลมเรียกอรูปกรรมฐานหมดกําลังก็ถอนออกมาคืออเนจังอันละเอียดพัดให้รูปทุกขกะเบียบด่ดาไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาสมาธิเป็นหมายความว่าพักงานถ้าพักอยู่นานงานก็ไม่ได้ ทำไมพักก็ไม่ได้งานผู้นี้กำลังมากเขาก็ไม่พักเขาก็ทำงานเลยผู้พักมากสมมติว่าเราทำงานตอนเที่ยงต้องพักยึดใจที่ไม่ได้พักมันไม่มีกำลังก็ต้องพักบ้างแต่พักนานงานยังไม่ทันเสร็จมันก็ไม่ไมันก็ไม่ได้เองเดินจงกรมในอากาศป็นคว่ำปิ้งไงเหาะเหิอนอากาศเดินจงกรมในอากาศ ปีลังกาในอากาศเราผ่านมาแต่ออกปฏิบัติที่แรกหมดกำลังก็ถอนออกมาเหตดนั้นผู้ใดมาพูดเรื่องเหล่านี้เราไม่ตื่นเลยแต่เราก็ไม่คัดค้านแต่ไม่ตื่นเพราะเจอมาแล้วอยู่ใต้อำาอนาจอธิจังนหมดกำลังก็ถอนออกมาเหตุนั้นพระเรมศาสดาาจารย์จึงมาให้ถือมันส <ừ ừ. S 1> ิ่งไหนเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นก็ดับเป็น กนล่วงไปเป็นพระนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปไหนจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของสังขารสังขารจะไปเยี่ยมพระนิพพานได้ไหมไปเยี่ยมไม่ได้เพราะไปไม่ถึงเพระฐานะไม่มีจะไปถึงพระนิพพานสังขารก็มีหน้าที่เกิดดับอยู่เท่านั้นสังขารก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระนิพพานก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน เธอจงรู้ตามเป็นจริงสักพระไตรรุษจรู้ตามเป็นจริงแล้วให้ยึดถือผู้รู้อีกด้วยพระบรมศัตราลึกไหมที่ท่านสมมุติว่าปล่อยว่างนั่นเพื่อพูดให้เรารู้จักชัดถ้าไม่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จักชัดปล่อยวางชักท่านว่ า, ยยาผูกเป็นสมมติถ้าพิจารณาว่าสิงใดใ น, ใ น, ใ น, ในโลกล้วนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่เป็นคนเป็นแต่ศัก์ว่าสมมุติบรรจัดแล้วมันก็ปล่อยวางอยู่ในตัวนั่นเอง ถ้าสำคัญว่าใจเป็นตนตนเป็นใจผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้แล้วมันก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าไม่สำคัญว่าใจเป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่ตนตนเป็นไม่ใช่ผู้รู้แล้วมันก็ปล่อยวางอยู่ณนะที่นั้นเองจะทํากิริยาทําไมมันก็ว่างอยู่ตามธรรมชาติ น, นั่นเองที่สม็ณะให้ปล่อยวางเพื่อให้เป็นบุคลาธิฐานเพื่อให้เข้าใจชัดเช่นเราลืมรับตาอยู่อย่างนี้ เราเลื่มตาขึ้นเราปล่อยวางมืดไหมมันปล่อยเองมันใช่ไหมนั่นแล้วรับตาอยู่อย่างนี้แล้วไปปปารถนาจะปล่อยวางมืดอา้าวมันมันปล่อยวางเองมันมืดมันไปที่ไหนนั่นไปเลยใครเป็นผู้พูดใจก็สังขารว่ากีสังขารจิตตะสังขารเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังใจก็สังขาร อกีสัง hmm. กิตตสังขารเป็นผู <and wisdom. S 1> ้ฟังเพราะพ่อม่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เขียนก็เอาใจเขียนผู้เรียนก็เอาใจเรียนถ้าไม่มีใจก็เรียนไม่ได้ ผู้ท่องผู้บนก็เอาใจท่องบนผู้วิจัยก็เอาใจวิจัยถ้าไม่มีใจก็วิจัยไม่ได้ปัญญาก็ไม่มีใจที่มีสติก็มีปัญญาด้วยมีสติอยู่ที่ใดก็มีสัมปชัญญะอยู่ที่นั้นก็มีปัญญาอยู่ที่นั้นสติสัมปชัญญะทิ้งไม่ได้พูดว่ากเฉยๆพูดมากเข ก, ก็มาออกไปจากใจก็แห้หาลงมาหาใจที่นี่ แต่ไม่ให้ติดอยู่ในมากแต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในน้อยขยายก็ม่ให้ติดอยู่ในขยายย่นก็ม่ให้ติดอยู่ในย่นก็เชือกเส้นเดียวกันดังที่ว่ามาเรียวนั่นเองนะของของใหม่มีไหมไม่มีมีแต่ของเก่าเอสะธโมสนันตนูพระธรรมเป็นของเก่าผมดีใจมากผมดีใจมากก็ไม่รู้ว่าได้ใจมาจากไหนดีก็ใจดวงเก่านั่นเองผมเสียใจมากทําไมเสียเสียใจมาก ใจก็ใจรวงเก่านั่นเอง <Yeah. S 1> มันเสียไปไหน <Yeah. S 1> ใครเป็นผู้ถามหาใจก็ผู้ใจนั่นเองถามมาบาปมีไหมบุญมีไหมถามก็ผู้ถามหาบาปก็เอาตัวบาตรบุญมาถามผู้ตอบก็เอาตัวบาตรบุญตอบก็ผิบาตตอบกันว <Yeah. S 1> ิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบก็พิบาทถามกันอีกเหมือนกัน ส, สาษาในบทนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่องมหาสมุทรได้แต่เรามีกิเลสเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินเราก็นับได้อยู่นับยังไงสิ่งที่เป็นของแข็งก็นับเข้าในธาตุดินซะสิ่งที่เป็นของเหลวก็นับเข้าในธาตุน้าซะสิ่งที่พัดไปมาก็นับเข้าในลมซะสิ่งที่ร้อนก็นับเข้าในธาตุไฟซะเอ้อ นับไปเห็นเม็ดไรายในท่อมหาสมุทรนับไปแดดเม็ดลมในท่อมหาสมุทรดูซินับเม็ดไฟดูซินับเม็ดลมดูซิก็ต้องตอาว่าเอกภพทวีธาตุคือหนึ่งดินเอกะอาโปธาตุคือหนึ่งน้ำเอกวายโยธาตุคือหนึ่งลมเอกะเตโชธาตุคือหนึ่งไฟถ้าจะไปนับจนถึงอสังขัยอสังขย ผู้เป็นกรรมการนั่งอยู่ก็ผีบา้าผู้นับก็ผีบา้าวันไหนมันจึงจะจบก็ต้องนับเป็นฝ่ายสังฆโหสังฆโหแปลว่าสงเฆ์อสังฆโหแปลว่าไม่สงเคราะฆ์ท่านเทพดูสี่สิาาบห้าพรรษาเรียกว่าอสังฆโอเทศบุคคลด้วยวิธีนั้นเทศบุคคลด้วยวิธีนี้คนนั่นด้วยวิธีนั่นคนนั่นด้วยวิธีนี้เราก็เอามารวมกันไอาทีแท้ก็มีความหมายอันเดียวกันมีความหมายให้พ้นจากเกตอศวะเท่านั้นนะเอ้า ปฐมมาโพธิตาที่พระบรมศาตราจารย์ปฐมเทศนายังไม่บัญยัติปาราเชคีสังฆาทิเศษที่สามอันนี้วัสองนิเทเคียไปยติสาสี่ไปยติก็จะสองปฏิเสธนิยสี่เศีวัดเจ็ดที่ห้ายังไม่บัญยัติเลยยกขึ้นมาก็ชาติพิทักษ์ขาทานบอกถูกทั่วทั้งไตโลกธาตุเลยคำเดียวก็ผมไม่มีชาติดอกครับก็อคัดอัตคัดอ่าคัดคาดไม่ได้ชาติพิทักษ์ขากับผมไม่มีชาติครับ ก็คัดค้านไม่ได้นะถูกว่าทั้งใจโลกธาตุมานำพิะขังก็ผมตายไม่เป็นครับอก็มีไม่มีใครจะคัดค้านได้เหตุนั้นจึงถูกว่าทั้งใจโลกธาตุนั่นนั่นเห็นทุกคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกเห็นอันนี้กังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความมเี่ยังถ้าไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวได้ ตายคาทะเลหลงเลยมันหลงอยู่มีสี่ข้ออย่างพิศารหลงว่าหนังหุมอยู่โดยรอบเป็นของเที่ยงหลงว่าหนังหุมอยู่โดยรอบเป็นกองสุกหลงว่าหนังหุ้มอยู่โดยรบนนอยยรบเป็นตัวเป็นตนจริงๆจังจงังนแกะไม่ได้คลายไม่ออกหลงหนังหุมอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของอางม า, ามกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างส่งต่อพระพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้ส่งผู้มีปัญญาส่ง กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างน้อมลงมาต่ำน้อมกรรมฐานฐานของพระองค์ลงมาต่ำพวกนั่นตกนรกเช่นพุทโธเล็กพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์เรียกว่าน้อมคําสอนของพระบรมศาสดาลงมาผลกับขี้หมูราขี้มาแห้งมันบาปมากพวกภาวนาหาเรียกขาผาเอาพระพุทธศาสนามาภาวนาหาเรียกขาผาพวกนั่นตกนรกพวกนั้นออืกลายเป็นพุทธโธเล็กพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์ พูสูงลงมาหาต่ําพูดต่ําขึ้นไปหาสูงหาเหมือนหายใจเข้าเหมือนหายใจออกอันเดียวกัน่ะสูงสาวไปสาวมาอยู่อย่างนี้หายใจก็เหมือนกันออกยาวบ้างออกสั้นบ้างออกยาวบ้างออกสั้นบ้าง <c oughs> อยู่อย่างนี้ <c oughs> หายใจแเราหายใจเข้าข้างหนึ่งมันก็ครบแปดมืนสี่พระธรรมขันธ์แล้วมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเรามีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยมีทั้งความเกิดขึ้นแปรปวนนั้นแต่สลายด้วย พอเราหายใจขึ้นบอกว่าต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมแล้วมันก็เป็นกลายมาเป็นท้ายลมแล้วพอหายใจเข้าอย่างนี้นี่กลางลมนี่ต้นลมนี่กลางลมนี่นี่กลางลมนี่ท้ายลมพอหายใจออกเท่านี้เราสมมติว่าอันนี้เป็นต้นลมมันกลายมาเป็นกลางลมกลายมาเป็นท้ายลมอยู่หาระหว่างไม่ได้เนี่ยนี่มันยังไกลอยู่เท่านี้เราไม่ผ่านดั้งจมูกเราไปผ่านเท่าไรอันนี้ใกล้เนี่ยเราไม่บางท่านก็กำหนดลมไว้เวลาหายใจเข้า เลีมที่ปากบางวนเวลาหายใจออกข้าวผายผ่า น, านปลายจมูกอันนี้ก็ยังไกลอยู่บางท่านก็เอาไว้ครับหลอดลมถ้าลมไม่ผ่านนี่จะไปไหนเขาก็จ้องอยู่นี่อันพวกพวกนี้ภาวานาละเอียดมากนะพวกน้นพหนึ่งก็เอาไว้ที่ดั้งจมูกนี่เราไม่ผ่านนี่มันจะไปผ่านไหนเขาก็อยู่ที่นี่เราไม่ตายรมจะหายไปไหนี่เขาก็ตั้งสติไว้ที่นี่เขาไม่เนี่ยสายไปตามลมออกออกเข้าอย่างนี้ก็มีฉันท์พอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียรบรรประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจาราเหตุผลในกรมรมฐานที่ตั้งไว้คุณี่อย่างนี้มีบริบวรติแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหมนกับพิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรบรนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิสติและลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ทัง้งไว้ตกลงศีนสมาธิปัญญาก็รวมอยู่คนอยู่ที่อันเดียวกันพลังพละคือทําเป็นกําลังห้าอย่างก็อยู่ที่แห่ ง, งเดียวกันถ้ารู้แห่งเดียวล่ะก็รู้หลายอย่างถ้าหลงแห่งเดียวก็หลงหมดอันเดียวกันทีนี้ขยายออกขยายเข้าเหมือนกันล่ะก็มีแต่ขยายออกมีแต่ขยายเข้าเท่านั้นกันในทางวัฏสงสนากันเทศมีสองกันเท่านั้นเทศออกไปภายนอกตาหูจมุกเล่นกาย เป็นพระเหตทาธรรมคือทำภายนอกตาหูจมูกเลื่อนกายเป็นทำภายในรูปยันจิตรอดผลทพะธรรมารมณ์เป็นทำเป็นทำภายนอกก็ดขึ้นแล้วก็แฟควและแต่สลายหมดเบื่อหน่ายจำพวกนี้ไม่ยึดถือพวกนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันจะถึงพระเนพานที่นี้ย้อนลงมาสั้นก็เป็นรูปขันนามขันเหมือนกันตาหูจมูกเลื่อนกายเป็นรูปขันใจเป็นนามขันอ๋ออนัจนักรสูตรสูตรที่ไม่ใช่ตัวตน รูกก็เป็นรูกตามเดิมเคอดินน้นำมาชมกันเป็นกายเจ้าขอลูกดินคืออะไรผมขนแล้ฟันนั่งเลงกระดูกยาในกระดูกม้ามหัวใจตาฟังปืนไตปอดไสใหญ่ไสเลาอาหารหมายกับเก่านธาตุดินดีดีคือน้าคืออะไรดีเสด็จน้องเรื่อนเงินมันคนน้าตาเปลือมนาโมกน้ไข่ขอน้มูดนี่เป็นธาตุน้ำไฟที่ยัการเทาอุ่นไฟที่ยงการุตนไฟที่ยการควรกรายไฟที่พออาหารนายยอดนี่ธาตุไฟลมัขึ้น่องบนลมหายลมเลอะลมอ้วกลมพลงเร่องต่คือลมหายลมคือลมอุจจาระปัสาะนี่ก็เป็นแต่ักว่าลม ไฟที่รงกายให้อบัวิไฟที่รางกายให้สุดลมฟงกายควันวายไฟที่เอาขาอาหารห้ย่อยนี่รวมลงเป็นธาตุดินเรียกว่ารูปขันรูปประธาตก็ว่านามธาตุรูปประธาตก็ว่ารูปโรคก็ว่ารูปอินทียก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเกิดขึ้นในแปวรได้แต่สายชั่งนั้นดินแต่ไฟไปเรียนน้แต่ไนน้ำไฟแต่ไนไฟลมแต่ไฟเป็นลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันความโวยอารมณ์สุขทุกขเบทขาเดี๋ยวก็เกิดขึ้นแล้วแปลงควได้แต่สายสัญญาความจำจรูปจาเสียงจำสิ ย้มรูปเรียกว่าอะไรรูปะสัญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญาและสัญญาผลตสัญญาธรรมะสัญญาเกิดขึ้นนักกาแฟควรแต่สลายเหมือนกันสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตดีชั่วกลางกางเกิดขึ้นนักกาแฟควรแต่ไรวิญญาณคืออะไรจักขูวิญญาณวิญญาณทางตารูกกระทบตาเกิดความลขึ้นเรียกจักขูวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความลขึ้นเรียกโัตาวิญญาณจินกระทบจมูกเกิดความลขึ้นเรียกขานะวิญญาณรสกระทบเลี้ยงเกิดความลขึ้นเรียกเชีวหามิญญาณผพกระทบกายเกิดความลขึ้นเรียกกายวิญญาณธรรมะลองเกิด ความเลื่ขึ้นเรียกมโนเวนานสิ่งเหล่านี้ก็เกิดดับเป็นทั้งนั้นสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็จะดับไปในปัจจุบันนั้นเอ๊วันไปวันมาก็วนอยู่ในโลกเหมือนพายเรือในเอ่งนี่เกิดดับอยู่ทั้นั้นนายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนอ เมื่อเธอรู้ตามเป็นจริงแล้วความหลงของเธอก็จะหายไปเขาว่าลมศราศสลาก็ชนะกันอยู่นาทีนั่นเองชนะก็ชนะกันอยู่นี่แพ้ก็แพ้กันอยู่นี่ชนะภายนอกไม่มีในทางพระพุธศาสตร์นะมีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยพระพุทธศาสตร์นะปิดอาวุธแล้วและทํามันด้วยพูดทั้งหยาบทั้งละเอียดปนไปกันไปเหมือนแกงเหมือนแกงหม้อใหญ่ขั้วฉลาด ก็ไม่ต้องกินทั้งผัดทั้งก้าวต้องไม่ไ ม, ไ ม, ตไ ม, ไม่ต้องไม่กินก้างและกระดูกเขาก็หากินแต่เนื้อของมันถูกไหมแกงหม้อใหญ่ผู้งอกกินทั้งก้างกินทั้งกระดูกพระพุทธศาสนาด้านปฏิบัติสอนแล้วด้านปกครอ ง, งกันก็สอนแล้วทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเท่านั้นถ้าไม่มียางไอายห็นทีความละอายต่อบาปทรัพย์ตระุกลัวต่อบาป ถ้ไม่ได้อายตระบ่าไม่าาไมสะรุกว่าตระบ่าวแล้วกฏหมายกฏหมูกฏพักกฏพวกก็ตั้งไม่อยู่ข้องทําไม่นำคํานึง่งก็หมดใช้ฝืนฟืนเอง อ, อาศัยทางวามช่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในเครับนักวิธีปกครองโลกพระพุทธศาสนาปกครองอย่างนั้นพระพุทธจเจ้าองค์ไหนมาก็มายืนยันอันนั้นนั่นนั่นนั่นน่นน้ใรอบร่างพาราวกันเลยอันนี้พวกชาวกเนา่ยตั้งกฎหมายกันอยู่ทุกปีทุกเดือนแล้วไม่เป็นเสียเงินตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านตั้งแผ่นดินก็แล้วไม่เป็นทํำไมจึงเป็นอย่างนั้นนเเพราะคมีกล มันตั้งเข้าข้างตัวบ้างตั้งเข้าข้างพักของตัวบ้างเพราะเราพศาสดามเนี่ยตั้งเข้าพักของใครเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาลงเอ่ยกันเพราะมันถูกไปแล้วเหตุนั้นท่านจึงเคารพทำเพราะเป็นดิ่งเป็นธรรมมาเทปไต่นำนำนไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไต่ไม่ใช่โลกาธิปไต่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยเอ้าถ้าจะเอาประชาธิปไตยหมดยกวิสาหรถามกันเดียวนี้แหละก็จะคากันเยอะนี้แหละอ๋อ ถ้าชาวโลกเนี่พร้อมกันว่ามันมีบาปมีบุญหมดลงคะแนนกันหมดจะเอาไหมล้วกหูไม่เอาเึ่มไม่เอาใครจะเอาก็เอาซ ะ, ะไม่เอาพระพุทธศาสนาบัญยัติบาปก็เป็นบาปบัญยัติบุ ญ, ญบก็เป็นบุญจริงไม่เหมือนคนมีกเลสบรรยัติญญตนั่งนั่งนั่งนันั่งเหตุแคนั้ น, น, น, น, น, น, น, น, นจึงว่าทาให้โล ก, กบาลคุ้มครองโรกสองอย่างความรักตาบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เอ้าออกจากนี่ทามันล่วงละเมิดอันนี้แหะมันก็ไปร่วงละเมิดสิ้นห้าเอ้าลกวัฏฏฐานถ้าในโรคนี้มีสิ้นห้าหมด ทาหารไม่ไหวทํำไม่ตำรวจไม่ไหวทํำไม่ไม่ต้องได้มีตำรวจก็ไม่ต้องมีโทษตัวนั้นก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่ น, นสงบไปหมดแล้วนี่พระพุทธศาสนายังเป็นพระพุทธศาสนาที่ทํามันไปแล้วผู้ที่เขาแล้วพระพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชนะพระพุทธศาสนาที่นั่นประมาณสี่ห้าแสนคนอ่ะพระในในประเทศไทยนี่คิดคร่าวๆน้อยๆ ถ้าพวคนสี่ห้าแสนนี่ยออกไปมีลูกมีเมียดูดูลูกมันเอ๋ยได้น่ามันเอ๋ยเลือกสวนมันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยจะได้ได้ที่ดินที่ไหนมาพอจะได้ทรัพย์สินที่ไหนมาพอนั่นน่นมันทําหมันอยู่ในตัวแล้วนะะที่ผู้ที่เขาถือสินถือทําเขาก็ไม่ล่วงเกินกรมารมณ์กันในวันพระวันเจ้าน่นมันเป็นหมันอยู่แล้วน่ะพระพุทธศาสนาทำหมันแล้ว่ะ แต่พวกเราไม่ทำหมันเสียเลยสิ่งไหนที่ราคะจะจัดขึ้นพวกเราก็ไปหลอกลวงกันให้จัดขึ้นเช่นบาบา้าบาเหล่านี้เป็นต้นพูดน้อยพออธิบายพูดหลายนัดเดียวเสร็จเลยนัดเดียวเสร็จเลยสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมราคะให้จัดขึ้น สิ่งนั้นจะเป็นภาสิทธิ์ไพระสนโสดสะเพียงใดก็ตามไม่ใช่คําสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่จะทําให้โทรรสะกําเริบขึ้นด้วยคํากอนวทบาทหรือไพราะสนโสดสะเพียงใดก็ตามหรือเป็นภาษามคตก็ตามไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่จะรวงให้หลงมากขึ้นอันนั้นก็ไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนา กามงไม่ตกความตริตในทางกามพยาบาทไม่ตกความตริดในทางพยาบาทวิหิงสาวไม่ตกความตริตในทางเวียนเวียนไม่มีอยู่ในใจผู้นั้นผู้นั้นมีชื่อพึ่งอันกเกษมแล้วพระบรมศาสดาแล้วใครมีหรือไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าตัวจะเห็นเองไม่ใช่ก็อาจจ ะ, ะหาพักหาเสียงถูกไหมพูดน้อยไปพะ อ, อธิบายผู้หลทไลหมวกนี้เยวันซัก